วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสงกรานเป็นวันสำคัญของประเพณีไทยที่ริงสงกรานี่ถ้าผู้ย่างเคร่งขันแล้วมันมีทุกเดือนปีหนึ่งก็มี12ครั้งว่าสงกรานแปลว่าเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนผ่าน เปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนราศีผ้าาชิ่นว่าโคจรเปลี่ยนราศีทุกเดือนเป็นตว่าที่สำคัญคือตอนเปลี่ยนราศีมีนยนเปเมษเนี่ยก็ถือว่าเป็นสงการใหญ่เรียกมหาสงกรารเพราะว่ามันเป็นาการขึ้นปีใหม่ของกติฮินดู เทศกาลโฮลีอของอินเดียก็เนี่ยก็ช่วงนี้แหละจัดไปเมื่อที่สองที่ก่อนสองกรานี่ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะมันเป็นพิธิพนธของอินดูแต่ที่จริงมันเป็นไทยมากมากเลยนะครับความเป็นแทกเป็นฮินดูก็น้อย จะมีความเป็นพุทธเยอะหน่อยแต่ว่าก็แค่ส่วนนั้นแหละที่เหลือนี่มันเป็นเป็นไทยเป็นพื้นบ้านมากว่าเป็นไทยเป็นพื้นบ้านคือ ม, มีความสุขสนาน แ, แค่ศาสตร์น้ำนี่ก็มันก็เป็นเป็นเป็นเรื่องของธรรมเนียมพื้นบ้าน แท้ๆเลย แ, แข้งนี้ก็ไม่มีสัดน้ำาหมอนะเทศกาลฮลลีเขาก็แค่แค่โปรยฝุ่นลงไปฝุ่นสีแต่ไม่มีสัดน้ำไอสัดน้ำนี่มันของดั้งเดิมของไทยหรือของชาว บ, บ้านแถบนี้คุณมีพ่างนี้ตั้งแต่ก่อนที่จะมาได้รับอิทธิพลอินเดีย มันเป็นแสดงการกระจัดอั ป, ปมงคลทำให้เกิดมงคลขึ้นมาสงการมันมันมีสองด้านนะด้า น, นก็เป็นเรื่องของความ มีระเบียบแบบแผนนะมีความเรียบร้อยอีกด้านหนึ่งก็ไร้ระเบียบนะที่มีแบบแผนเรียบร้อยนะก็อย่างเช่นนะใส่บาตรพระส่งน้ำพระนะรถน้ำผู้ใหญ่นะให้ดูดูมันมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ใส่บาดพระก็ใส่ด้วยความสำรวมส่งน้ำพระแล้วก็ส่งด้วยความสำรวมไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปหรือว่าพระภิกษสุสงฆ์รถน้ำผู้ใหญ่รวมทั้งการทำบุญให้กับผู้งลงรับแสดงความกตัญญูกตะตเวที นั่นี่คือด้านหนึ่งของสงกรานนะที่เราก็คุ้นเคยอีกด้านหนึ่งนะ่ที่เด่นชัดกว่านะคือสนุกสนานไม่มีระเบียบเป็นวันที่จะเรียกว่าอะไรปล่อยผีชั่วคราวก็ได้ระเบียบต่างๆที่มีก็ยกเลิกชั่วคราว ผู้หญิงที่เคยเรียบร้อยนะตนะามประเพณนะีพอถึงช่วงสงกรานก็เรียกว่าเต็มที่อาจจะแก้งผู้ชายไงก็ได้จับผู้ชายไม่เรียกคลัตไทยหรือบางทีก็แห่กันไปลุมสามน้ำพระก็ทำได้บางแห่งบางที่นี่ก็เอาจับเนรนะมา มกแกล้งก็มีเพอิญลามไปถึงพระด้วยเขาก็ยอมชั่วคราวนะอนุญาตชั่วคราวไอ้ที่เคยถือศีลห้าโดยเฉพาะศีลข้อห้านี่ก็อาจจะปล่อยปล่อ ย, ปอยไปบ้างนะบางทีก็เห็นผู้หญิงกินเหล้าสต่ผู้ชายก็กินเหล้ากันเป็นธรรมดา คนไทยสมัยก่อนก็ไม่ใช่ว่ากินเหล้ากันพเพิ่เพลินนะก็กินเหล้าตามเทศกาลอย่างเช่นสงกรานนี้หรือว่าบุญบั้งไฟก็กินกันยี่บุญบั้งไฟนี้ก็เรียกว่าคล้ายๆสงกรานเหมือนกันนะจะทําอะไรทะลึงล่งทนะลึ่งศระโดกกับพระดนเขาก็ไม่ว่ากันอยอม แต่บุญร้องไฟนี่มันทำเนียมพื้นบ้านแท้ๆเลยมันไม่ค่อยมีอยังไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างสงกรานในบางช่วงในความสนุกสนานชาวบ้านนี่นะก็มีแต่ว่าไปก็มีขอบเขต น, นะก็คือว่า แค่สองสมวันนั่นแหละเอะมาเทิงกันหรือว่าเธอเร่งตึงตังกันพอผ่านพ้นเทศกาลสงการก็กลับมาเรียบร้อยผู้หญิงก็อยู่ในระเบียบประเพณนะีพระก็เหมือนกันสงการนี่พระนี่ก็สนุกได้ในระดับหนึ่งนะ ไม่ถึงกับกินเหล้าอย่างโยมแต่ว่าก็เที่ยวสนุกเล่นพายเรือแข่งกันนะพายเรือแข่งกับโยมก็มีก็ปล่อยสักวันนะแต่ส่วนใหญ่ปล่อยชาวบ้านมากกว่ามันเป็นการเพราะว่ามันเป็นการลดความตึงเครียดทางสังคมเพราะว่าระเบียบประเพณี มันเป็นสิ่งที่มนุษย์เราสร้างขึ้นมาเป็นกฎเกณฑ์คนเราบางทีก็อยากจะทำอะไรตามสบายแต่เราก็ต้องควบคุมตัว้อ่ในระเบียบไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยก็มีบทที่ต้องเล่นกฎเกณฑ์หรือทาในประเภทนี้มันก็เป็นเรื่องบทบทบาททำทั้งปีมันก็ รู้สึกเครียดเนี่ยเพราะผู้ที่อยู่เบื้องล่างผู้หญิงองก์คนไทยสมัยก่อนเาก็เข้าใจมนุษย์นะคนเราก็อยากจะอยากจะทำอะไรสบายๆ บ, บ้างหรือว่าอยากเป็นอิสระจากกฎเกณฑ์บ้างเขาก็ให้ ช่วงเนียสงกรานเรียกว่าปล่อยวาลก็ได้ปล่อยวาลดความกดดันลดความตึงเครียดถ้าผู้หญิงก็ใช้โอกาสนี้นอาการแก่ผู้ชายแต่กาก็ต้องเป็นเบี้ยรลังผู้ชายนในช่วงธรรมดาต้องทำตัวเป็นภาพพับไว้แต่พอสงกรานก็นไม่ต้องระมัดระวังวเต็มที่ แลนก็มีแนวโน้มเป็นงั้นโดยเพราะเวลาสงครามก็อยู่กันเล่นกับทางก็เป็นฝูงคนเรานี่พออยู่เป็นฝูงแล้วเนี่ยมันปล่อยเมื่อปล่อยตัวได้ง่ายหรือว่าลืมตัวได้ง่ายซึ่งก็มีทั้งบวกและลบนะอย่างวัยรุ่นนักเรียนอาชีวะนี่พอรวมกลุ่มกันเข้านี่สามารถจะยกพวกไปตีกันได้ยกพวไปฆ่ากันได้ฉนั้นที่ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดชังอะไรกันเลย ถ้าแยกออกมาเป็นคนๆนี่ก็ไม่กล้านะไม่กล้าที่จะไปทำอะไรขนาดนั้นแต่พโรวมฝูงเรานี่ก็ทำอะไรก็ได้เสี่ยงตายก็ได้ตอนนั้นเป็นเพราะที่มันไม่กลัวตายเพราะว่าตออยู่เป็นกลุ่มนี่ความเป็นตัวตนมันหายไปนะจากตัวบุคคลมันมีตัวตนใหม่เกิดขึ้นนะก็คือ ฝูงชนเนี่ยฝูงชนเป็นตัวตนใหม่เพราะงครฝูงมดนะฝูงมดนี่น ม, ดนมดนี่เวลามันอยู่กันเป็นอยู่กันเป็นเป็นฝูงเป็นรังเนี่ยไอ้ความแต่ละตัวแต่ละตัวนี่มันพร้อมตายได้พร้อมตายเพื่อเพื่อฝูงเพื่อรัง มันเรียกว่าความเป็นสําเร็จตัวตนของมันน้อยมากมันมีแต่ว่าทําเพื่อฝูงทํำพฤติกลุ่มของมันคนเราก็เหมือนกันนะพออยู่กันเป็นฝูงแล้วมันก็ความรู้สึกตัวตวนจะเล็กลงต้องทําเพื่อฝูงหรือต้องคล้อยตาม ไอการที่จะมีที่เจรณนยางตัวเองก็น้อยลงอันนี้เป็นหมดนะผู้หญิงผู้ชายนักเรียนอาชีวะหรือว่าคนชั้นกลางพออยู่กับเป็นม็อบเนี่ยพอเป็นม็อบก็เ hey, ฮทำอะไรก็ได้สามารถจะด่านหน้าเข้าหาเข้าหาปืนก็ได้นะ ความรู้สึกมันจะผูกพันกันมากไอความรักตัวกลัวตายก็น้อยลงคนเวลาอยู่ม็อบนี่ก็รู้สึกได้เลยความรักตัวกลัวตายมันน้อยยังจำได้ตอนเกิดเหตุการณ์14ตุลาแล้วก็มีการยิงกันนะวันอาทิตย์14 ในความสึกผูกพันกับฝูงชนนี่มันมันทำให้เราัวดตายน้อยเรียกวความพิเดา น, น้าเขาเข้าหาทหารเข้าหาอา่ตำรวจ็ได้แต่มันก็เป็นความสึกชั่วคราวนะข้อดีก็มีนะก็คือมันทำให้กล้าเสียสละแต่ข้อเสีย ก, ยก็ก็มีมันทำให้ ทำชั่วทำทำบาปหรือผิดศีลได้ง่ายเรียกว่ามันเป็นไปตามอารมณ์ของม็อบจะให้ไปกระถทือบใครจะไปทำร้าย ใ, ใครจะไปดูดดาใครมันก็ทำได้อย่นี้เคยพูดอย่นี้มันก็มีม็อบชนิดใหม่นะไม่ได้รวมกลุ่มกันใน ในที่ใดที่หนึ่งแต่มันรวมกลุ่มกันในไซเบอร์สเปซนในอินเทอร์เน็ตรวมกลุ่มกันเดี๋ยวนี้อาการก็เห็นขึ้นในใน a c e b o o k อาการเรียกว่าเป็นุมยำใครคนใดคนหนึ่งใครที่ไม่ชอบก็เฮโลเป็นุมยำแต่ก่อนมันรุมยำด้วยตีนจริงๆนะ อย่างที่พวกวัยรุ่นอาชีวะรมอยู่ด้วยกันเป็นฝูงก็ไม่ชอบใครก็เฮลวไปลุมยำเรียกวยำตีนแต่สมัยนี้ก็รุมยำด้วยคำดา่าอยู่กันเป็นฝูงใน facebook เพราะว่ามันก็เป็น facebook มันก็เป็นชุมชนเสมือนแบบหนึ่งเป็นชุมชนเสมืนอน<ะ>พออยู่ด้วยกันก็เกิดความอารมณ์ร่วมได้ง่าย แล้วก็ถ้าฝูงชนมันมีอารมณ์ใดมันก็พาไปเช่จนจะพาไปลุมยำใครที่ไม่เห็นไม่ชอบหน้าเพราะว่าพูดไม่ถูกหูเขียนไม่ถูกใจก็ก็ไปลุมยำไปด่าบางคนก็แบบที่เราสังเกตได้บางคนก็ดูเรียบร้อยนะเวลาเจอหน้าเห็นตัวต่อตั ว, ต ว, ตวก็เรียบร้อยแต่เวลาไปลุมยำคนในคเฟ่นี้ ด, ดา่า ขึ้นเีือขึ้นหากูมึงเลยซึ่งเจ้าตัวเองเนี่ยว่ า, า จ, จะงงงงว่าไอ้กูทาไปได้ยังไงวะเนี่ยตอนที่ออกมาจากตอนที่บรรยากาศมันส่างซาแล้วไอ้สงสั ย, ยทําไปได้ยังไงแต่ตอนนั้นนี่มันมันเรียกว่ามันไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันลืมตัวไปแล้วเพราะความเป็นฝูงไอ้สองการนี่มันก็ มันก็มีบรรยากาศแบบนั้นน้อยๆนะก็คือว่าคนที่เรียบร้อยนะต้องทําตัวเหมือนภาพพับไว้นะไอจ้จิมก็ข้างในก็อาจจะมีความอึดอัดเล็กน้อยถึงแม้ว่าจะทํานี้เป็นตั้งแต่เกิดตั้งแต่เล็กจนดูเหมือนกลายเป็นธรรมดาไปแล้วแต่ข้างในมันก็มีความอึดอัด อยากจะเล่นนอกบทบ้องสงการก็เปิดก็ให้เล่นนอกบทอันนี้คืออดีตนะแต่ ว, ว่าสมัยนี้เราได้รับการศึกษาแบบสมัยใหม่ได้ทิพยลแบบฝรั่งมากพอเห็นคนทำอะไรประหลาดประหลาดหรือว่า บ้าบอเราก็ตกใจนะล้วก็อาจจะบอกว่าทาลายประเพณีไทยแต่งตัวผู้หญิงแต่งตัวอย่างเช่นแถวทนนข้าสารที่จริง น, นั่นแหละประเพณีประเพณิสงการแบบนั้นแหละ แต่มันอาจจะไม่ไม่ถึงขั้นแต่งตัวอย่างนั้นแต่ว่าการทำอะไรผิดแบบแผนหรือว่าทำอะไรเพียเพ้ยนๆอันนั้นแหละสงการแท้เลยนะแต่มันไม่ถึงขั้นประเภทอถอดเสื้อมาเต้นเอโกโก บนถนน ส, สีลมอย่างอย่างที่เป็นขาวเมื่อ30สิปีก่อนจนคนตื่นตกใจโอว่าโอ้นี่นนทําลายประเพณีไทยที่ดีประเพณีไทยมันมีอีกด้านนึงนะก็คือด้านที่ว่าเนีนะ่บุญบังไฟก็ดีสงกลางก็ดีนี่มันเรียกว่าลา ม, มกทะลึง่งคนไทยเขก็ไม่ถือก็ปล่อยไปล่อยไปปล่อยสักวันหนึ่งมันก็ปล่อยผี คนไทยสมัยก่อนนี่ก็เขาก็มีสองด้านนะด้านที่เรียบร้อยกับด้านที่ทะลึง่งหรือว่ า, าลา ม, มกมันก็เหมือนกับเป็นบทที่ต้องเล่นอันนี้พอเราไปไดลกาศึกษาแบบตะวันตกนะความคิดแบบฝรั่ง ถ้าเรียกว่าเป็นแบบถ้ามันมีขอเรีกแบบฝรั่งประเภทหนึ่งเรียกเพลริตันเพลริตันนี้ก็มาจากอังกฤษเช่นต้องมีผัวเดียวเมียเดียวต้องใส่เสื้อให้ตัดกลุมนะไม่มีการโชว์แม้กระทั่งข้อเท้าหรือว่าไม่มีการโชว์ข้อศอกได้ซ้ำ แต่ว่าไอ้ข้อสอกย่างพอว่าแต่ข้อเท้านี่ไม่โชนถ้าเห็นแค่ข้อเท้านี่ถือว่าพอละเนะี่นี่เราก็ไป เ, าเอาทำเนียมนี้มาแล้วก็มันก็เลยมีทิพย์ผลกับเพือพ่อคนมีการศึกษาพ่อมีคนมีการศึกษาพอไปเจอไปเจอ ทำเนียมไทยโดยเฉพาะเวลาเล่นสงกรานต์ไม่มีที่ต่ําที่สูงไม่มีระเบิดประเียตประเพณีก็ตกใจแต่เข้าใจว่ามันปิดประเพณีไทยเพราะไปเพราะมีความรู้ประเพณีไทยจํากัดที่ว่าประเพณีทำต้องเรียบร้อยอย่างเดียวให้เรียบร้อยนี่ก็ใช่นะแต่ว่าไม่ใช่แค่นั้น ไม้มากขนงนั้นก็มีเึงแต่ว่ามันไม่ค่อยจะจะเปิดเผยกันเท่าไหร่ยกเล่นสงกรานต์นี่ก็เปิดเผยกันทีนึงแล้วก็แล้วกลับมากลับมาเรียบร้อยเหมือนเดิมแต่คนสมัยก่อนนี่มันก็มีถึงแม้ว่ามันจะ มันจะปล่อยพียังไงมันก็มีปลอบมีเกณฑ์อยู่ในระดับหนึ่งนะเกณฑ์จะไปจะไปตีกันเนี่ยหรือว่าจะไปล่วงละเมิดผู้หญิงนะอันนี้นี่ทำไม่ได้นะไม่ใช่ว่าปล่อยพียแล้วจะทำอะไรได้สมัยก่อนมันอยู่กันเป็นชุมชนชุมชนก็คอย แล้วคอยดูแลคอยควบคุมให้ให้มันทะลึ่งพอประมาณให้มันล้ามมุกได้พอประมาณแต่สมัยนี้เนี่ยสังคมเมืองมันมันตัวใครตัวมันไม่มีใครที่จะคุมกันมันก็เลยอาจจะทำอะไรน่าเกลียดได้อย่างเช่นสาสตร์น้ำบางทีก็เอาน้ำแข็งเนี่ย น้ำแข็งเนี่ยผสมเขไปด้วยนะสาดน้ำก็เจอทั้งน้ำเจอทั้งน้ำแข็งมันไม่ใช่หนาวนะมันเจ็บน้ำแข็งทั้งทั้งก้อนเลยนะสมัยก็เด็กๆก็คเคยเป็นอย่างนั้นนะมันสงการานทีหนึ่งก็แก้งคู่คนร รถรถเมย์เวลาผ่านมาเราก็ไม่ใช่แค่สาดน้ำนะบางทีก็คว้างลูกโปงนะ่งมาลูกโป่งอัด น, น้ำคว้างไปที่รถรถเมล์กาให้มันลอดผ่านหน้าต่างไปโดนคนบนรถให้ได้มากที่สุดลอดผ่านหน้าต่างลอดผ่านประตู ก็สนุกกันใหญ่นะแต่ว่าไอคนที่อยู่บนรถเมล์นี่ิก็เดือดร้อนนะไปทำงานก็เปียกโชกสงการเด็กๆก็ทำเหมือนงั้นกันซึ่งถ้ามันเป็นทากับคนในในตอกเดียวกันก็ไม่ว่า ไ, ไม่เป็นไรนะนี่มันคนที่ไม่รู้อีน้องอินเน่ ไปทำงานแต่งตัวสวยนะหรือว่าจะไปงานเลีน่นอย่างตัวสวยก็เปียกโชวหรือบางทีก็พิเลนนะใส่น้ําแข็งเข้าไปแต่ว่าน้อยนะส่วนใหญ่อันนั้นมันเป็นประเภทพวกวัยรุ่นวัยคนอนเนะี่ยใส่น้าแข็งคว้างมปสาดไปแต่เดี๋ยวนี้มันมันพิเลนหนักกว่าหนักกว่าเดิมแล้ว เพราะว่ามันมีการตักเตือนห้ามปรามหรือว่าควบคุมโดยฝูงชนโ ด, โดยโดยชุมชนมันก็เป็นการเสียโอกาสได้อันนี้ก็ข้อเสียอจริงเนี้ยไอ้สองกรา น, นี่มันมันเป็นช่วงที่จะเรียกว่าประหลัดประหลาดก็ได้นะมันมีสองด้านตรงข้ามัน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ในแบบแผนกะิริยามารยาทนะอ่อนหวานสุภาพนะอย่างเช่นเนี่ยเวลาบินทบาทใส่บาทเวลารถน้ำพระนี่ก็อ่อนน้อมนะแต่พอข้ามฉาวนี้ไปก็เรียกว่าสนุกสนานกันเต็มที่นะไม่ต้องเกลกเก็งใจกันละ บางทีก็เออะมาเทิ้งกันฝรั่งก็งงงๆนะหรือว่าคนที่อยู่ในเมืองมีการศาราแบบสมัยใหม่คงไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นอาเยพรน่นไทม์อย่างงั้นแหละไอ้ที่ที่ทำให้ตื่นตกใจยิ่งกว่า น, นั้นก็มีแต่ชาบ้างอยู่เป็นธรรมดา อย่างเช่นการแต่งกายสมัยก่อนนี่ก็ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้รัด ก, กุมอะไรนะโดยเพราะคนที่แต่งงานแล้วเนี่เขาก็เปลือยเปิดอกกันธรรมดาเราไปเข้าใจว่าประเพณีทำต้องแต่งตัวรัด ก, กุ่มบางทีไม่แต่งงานบางทีก็เปิดเดินเปิดอกกันเฉยเลยอันนี้ พระจันทร์จวนกุลเชษถัวเคยเล่าตอนหนุ่มๆนีน่เห็นหญิงสาวเดินเปิดอกเปลยอกนเดินผ่านหน้าบ้านก็เกิดชอบเกิดหลงรักขึ้นมาไม่ใช่เพราะว่าเพราะเปลยอกนะเพราะว่าทุกคนก็เปลยอกทั้งนั้นแหละแต่ว่าเกิออดเจาะจงชอบที่เป็นพิเศษแต่ที่เลิกชอบเพราะว่าตามเธอไป เห็นเดินเข้าไปในป่าแล้วมาะก็ตามไปแล้วเธอไปขี้นะไปขี้ในป่าแล้วมอกก็เลือกไปทุ่งเห็นกองขี้ขี้ที่ออกมาจากตูดเธอแล้วมันก็เกิดความเกิดความกราดกระอวนนะมาเห็นขี้เนี่ยก็เลยไอ้ไอ้ตันหาหรือราฆ่ามันก็เลยฟองไปเลยเผลอๆขี้มีพยาธดดิเยอะ ออกมาแล้วก็อย่างนั้นนะไม่มีส่วอเห็นที่แหละปวงขงสุภาพไปในตัวไอตอนเห็นก็เดินเปิดเปิดอกก็เออเกิดราคะแต่พอเห็นเข้าไปขี้นี่ก็เห็น่สุภาพขึ้นมาก็ฟออันี้ท่านก็เล่านะอันนี้ก็แสดงว่าชาวบ้านถนนั้นไอการแต่งตัวรักกุมก็ไม่มี การเดินการเปยออกเป็นเรื่องธรรมดาไม่เฉพาะคนที่มีผัวแล้วหรือมีลูกแล้วถ้าประเพณีไทยมีอะไรหลายอย่างที่คนสมัยนี้ก็ไม่เข้าใจนะไปสร้างภาพไปสร้างภาพอีกแบบหนึ่งแต่ว่าถ้าเราเข้าใจประเพณีสงกรานต์แล้วเราก็เออ เป็นสาพาแล้วเข้าใจวัฒนธรรมไทยแล้วก็เข้าใจความหมายทางธรรมที่แฝงเล่นมันก็ได้ประโยชน์ไม่ว่าจะแฝงเล่นอยู่ในประเพณีแบบพุทธหรือว่าประเพณีแบบชาวบ้านก็ตามมันก็ให้แง่คิดสอนทาเราได้อ่ะชาได้พูดทค่นี้ครับคับ